จะต้องเกิดการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นพบเห็นกายจนเห็นกายเป็นสูตรว่ากายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุคลตัวตนเราเขาเป็นคำตอบออกมาจากความรู้สึกตัวภายใน ไปเห็นแล้วจึงตอบจึงพูดออกมาจึงแสดงออกมาว่ากายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุคคลตัวตนเราเขาเห็นแจ้งจนขี้ลงไปสติเป็ น, นการพบเห็นเข้าไปบอกเข้าไปพูดไม่ใช่คำพูดเป็นความรู้สึกภายในมันเป็นสูตร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 ไปห้อยไปแขวนไว้กับกายเห็นเป็นปัญญาเป็นปัญญาแล้วภาว่าที่เคยสุขเคยทุกข์เรื่องของกายเอามาเป็นปัญญาเป็นปัญญาพ้นออกจากกายได้เกี่ยวข้องกับกายถูกต้องวามความเป็นจริงแล้วมันก็มีสูตร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 เสียอกเสียใจเดียวอกเดีใจของอย่างเดียวเป็นสุขของอย่างเดียวเป็นทุกข์ของอย่างเดียวรักของอย่างเดียวชังของอย่างเดียวชอบของอย่างเดียวไม่ชอบในลักษณะของเวทนามเป็นสุขเป็นทุกข์เราเห็นเห็นแจ้งจน ตอบออกไปได้เลยเวทนาก็สัึกว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกคคลตัวตนเราเขาด่านนี้ก็กักเราไปอยู่แล้วกันกักเราไปอยู่เห็นแจ้งในเวทนาเวทนาที่เกิดกับรูปกับตามเป็นปัญญาแล้วไม่ใช่เวทนารุ่นที่มันเป็นอุปาทานไปยึดไปติดเวทนาที่เกิดปัญญาห้ามล่วงได้ตลอดทั้งกิจ ที่มันคิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นความคิดแต่ก่อนเคยมีตัวมีตนอยู่ในความคิดคิดขึ้นมาก็หอบพิวไปได้คิดสุขก็สุขคิดทุกข์ก็ทุกข์คิดลักก็รักคิดหลงก็หลงคิดโกรธก็โกรธก็หลงไปกับความคิดไม่ลักษณะความคิดจิตใจที่มันความคิดที่เกิดขึ้นเกิดจิตเนี่ย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 เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดคิดไปต่างๆนาะนาะไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพาคิดไปไม่ใช่ตัวใช่ตนอยู่ตรงนั้นที่เห็นเห็นจิตที่มันคิดที่มันปรุงปรุงแต่ ง, แ ต, งแต่งไปตัวหลงพอให้เกิดความคิดเป็นปีเป็นขุยเข้าไปพอมาเห็นเขาโธ่แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นความคิดตัวเอง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 จนตอบได้แล้วกิดก็สึกไว้กิตไม่ใช่สัตบุคคลตนเราเขามันกักไม่ได้แล้วบัดนี้ผ่านถ้าจะเป็นด่านมันกักมันขวางมันกั้นทำให้สยบทำให้อยู่ผู้ที่จเจริญสติเนี่ยถือว่าผ่านได้เหมือนด่านที่มันกักเราเดินทางไปโน่นไปนี้ เราผ่านได้เราไม่ความถูกต้องเราชอบทำโดยพราะความรู้สึกตัวนะ่ะมันทำให้เกิดการผ่านได้อย่างสะดวกสบายตลอดทั้งไปเห็นสิ่งที่ครอบความจิดเห็นความง่วงเหงาเหานอนความลังเลสงสัยความคิดปุ่งสานพยาบาทอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นหวงกัน้นเป็นภูเขาโลกแรก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 ที่ขวงกิจไม่ให้บรรลุคุณงามความดีไม่ให้สติไม่ให้สติสตงอกงามความงามา่วงเหงาหอนเราก็รู้สึกตัวอาจจะเปลี่ยนความง่วงเป็นความรู้สึกตัวเป็นปัญญาขอโทษเห็นความง่วงมันเกิดขึ้นมาเห็นความรงเลยสงสัยเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นในเวลาเราเจริญสติ ต่ต้องเห็นไปในลักษณะแบบนี้และวการปฏิบัติธรรมมันสิ่งที่ผ่านหน้าผ่านตาเหมือนตาที่เรามองไปข้างหน้าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าล้มก็เกิดการเห็นมันก็เห็นแต่เห็นบางอย่างเราก็ไม่ไปสยบเราก็ไม่ไปคล้องอยู่วันเราเดินทางเห็นสองข้างทางเห็นตรงหน้าตรงตาเห็นขวกเห็นน้ำเราก็ข้ามไปเห็นหลุมเห็นบ่อเราก็ข้ามไป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 เป็นความสุขเป็นความทุกข์บางหรือว่าทมทั้งหลายทมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนทม ก, ก็คือการสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผิดเป็นกุศลเป็นอกุศลกุศล ก, ก็คือความหลงในความสุขหลงในความรู้หลงในความคิดเหตุผลต่างๆอกุศลก็หลงในความทุกข์หลงในความ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 เวทนาเรียกว่าสุขเรียกว่าทุกข์ทุกกายทุกกิจสุขกายสุข จ, จิตใจร้อนรนหนาวหนาวหิวปวดเมื่อยพอ่าเห็นเป็นกองลูกกองนามก็เห็นเป็นอาการเห็นเป็นเห็นเป็นอาการของกองลูกเห็นเป็นอาการของกองนามไม่ใช่มีตัวมีตนอยู่ตรงนั้นสช้รูปให้เลย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 ถ้ามันไม่มีอาการมันก็อันตรายก็รถือว่าเป็นปัญญาขอบุนเขาที่เขาล้นเขาหนาวขอบุนเขาที่เขาปวดเขาเมื่อยขอบุนเขาที่เขาโลดจักจิ้วในของรูปกองน้มก็เป็นเช่นนั้นมันเป็นตกอยู่ในสภาพไตลักความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนตัวข อ, ของมันก็ไม่ใช่ตัวของมันมันก็มันก็เป็นไปตามอาการที่มันเกิดขึ้น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 ขอให้ทำผิดศินผิดธรรมเสเ ว, เวลาเวลาเวียดเวียนตนเองเบียดเวียนคนอื่นเป็นทุกข์เพราะกองลูกกองน้ำเป็นสุขเพราะกองลูกกองน้ำบันทีเราก็หลงหลงเอามาเป็นสุขหลงเอามาเป็นทุกข์เอาความสุขความทุกข์จะ ก, กองลูกกองน้ำไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ปัญญาความสุขจริงๆริงมันมันไม่ใช่อยู่ในลักษณะแบบนี้ เช่นคนเป็นโลกขี้กลาก ม, า ม, าลมีความสุขเพราะเรามีความสุขเพราะาเรา้อเราพอมันถ้าขี้กลากมันคันถ้ามันคันเราก็ต้องเกาพอเกาเราก็มีความสุขบ้างแต่ว่าวิธีที่จะรักษาขี้กลากให้มันหายเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเกานะอนี้จึงจะเรียกว่าสุขขอไข่ สุขกอไก่ก็คือเกลา้าสุขคอไข่คือไม่ต้องเกลา้าไม่ต้องเป็นสุขเป็นทุกข์พรกองรูปกองน้ำอีกแล้วไม่ต้องเกลาอีกเรื่องที่เกิดขึ้นกับรูปกับน้ำเห็นแจ้งเป็นปัญญานะรักษาเอารูปเอานาำมาทําความดีเอารูปเอานาำ ม, ม า, ำ า, ม า, า, า, มมาละความชั่วเอารูปเอานามไปทําความดีความดีที่ อาศัยลูกอาศนามเนี่ทําดีได้เยอะทาดีได้มากไม่เสียเวลาที่จะเอารูปอานามไปทําชั่วเคยสูบบุหรี่เคยกินเหล้าเคยโกรธเคยโลภเคยหลงเคยวิตกกังวลหมดไปหมดไปแล้ววะเนะ่เหลือแต่รูปที่เอามาทําความดีได้สําเร็จเอารูปมาละความชั่วได้สาเร็จเอานามมาทําความดีได้สําเร็จเอานามมาละความชั่วได้สําเร็จก็กลายเป็นประโยชน์ ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันไปทางนี่นะปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปเห็นดิมิตเห็นสีเห็นแสงเห็นความสงบที่มันไปอยู่ที่มันทับเอาไว้ไม่ใช่แบบนั้นสงบแบบศิลาทับยา่าอันนั้นไม่ใช่ออออกจากความสงบยา้ามันก็เกิดขึ้นมาอีกการปฏิบัติธรรมมันเป็นการเห็นแจ้ง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 ตัวสติเป็นตัวฉเฉลยไปเรื่อยๆไปได้หลักฐานของรูปของนามรูปนามมันบอกมันบอกมัคืออะไรมันเปิดตัวกองรูปมันก็เปิดตัวให้รู้ให้เห็นเห็นหมดเห็นครบเห็นทั่วถไม่มีตรงไหนปิดบางอําพางกองนามก็เปิดตัวให้เราได้รู้ได้เห็นว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์อย่างไรแต่ก่อนเราเคยเป็นสุข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 ธรรมวัด์เช้าธรรมวัด์เจ็นสัเพสสังขาราอนิจจาติยธาปัญญาจปัจสติเมื่อใดบุคคลเห็น้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อนานย่อมเดยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนานอันเป็นธรรมหมดจดการเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่เล็กน้อยทำให้หลุดพ้นทำให้ไม่ ไม่มีพบชาติตรงนี้ไม่เป็นไม่หลงไม่เอามาเป็นตัวเป็นตนในความไม่เที่ยงเอาไม่เอามาเป็นทุกข์ไม่วิตกกองบลเมื่อนั้า น, านย่อมหน่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพานอันเป็นธรรมหมดจดสเพสังขารทุคหาติญาถาปัญญายาปัตสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ เมื่อนั่นยอมหน่อยๆในสิ่งท <the> no ah. ี่เป <the> <it> <the> ็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจอุดความทุกข์แท้ๆทให้เกิดเป็นพุทธะพุทธะเกิดอยู่บนความทุกข์ความทุกข์ทำไมเกิดความไม่ทุกข์เป็นพุทธะขึ้นมาความหลงทําให้เกิดความไม่หลงเป็นพุทธะขึ้นมาความไม่เที่ยงทําให้เกิดเห็นแจ้งทําให้เกิดเป็นพุทธะขึ้นมา พุทธะหมายถึงตัวปัญญาไม่ใช่เกิดเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนพุทธะจริงๆคือธรรมะที่เป็นตัวสติตัวปัญญาเช่นพระวักลิเห็นพระพุทธเจ้าศรัทธาต้องไปกราบไปไหว้จับนิ้วมือจับชายกีวรหลงในะลูกขององไม่ใช่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า ผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั่นไม่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมก็คือธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในบนรูปบนนามเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเราก็ใช่กุศลคือความเฉลียวฉลาดฉลาดออกจากทุกข์ไม่ใช่ฉลาดเพื่อหลอกลวงตัวเองหลอกลวงคนอื่นฉลาดออกจากทุกข์ เปลี oh, e ่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เป็นเลกุศลเปลี่ยนความหลงให้เป็นความไม่หลงเรียกว่ากุศลเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธเรียกว่ากุศลเปลี่ยนความวิตกกังวลอะไรต่างๆที่มันเกิดอุปทานที่เป็นยึดตอวมาเป็นกุศลเป็นความฉลาดหรือพูดง่ายๆคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเป็นนักเปลี่ยนแปลงความล่ายเป็นความดี มาอย่างไรเปลี่ยนเป็นความฉลาดแล้วมันก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนได้พราะเรารู้สึกตัวไม่ใช่ไปยอมมันเช่นแต่ก่อนเรายอมมันมันหลงกับปกับความหลงมันโกรธกับปล่อยกับความโกรธมันทุกข์กับปกับความทุกข์แบบนี้มันเปลี่ยนมันเกิดมาเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเปลี่ยนเพื่อให้มันเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนปฏิบัติคือเปลี่ยนคือกับ เปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกเป็นไปทุกข์เรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยพาให้พัฒนาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมากเป็นผลเป็นญาณเป็นฌานแต่รู้มากก็กําลังของความรู้นะงั้ถ้าจะผมเหมือนสิ่งที่เผาผมรู้สึกตัวเหมือนเผาเผ า, เผากินเหล็ก ความโลภความโกรธความหลงไม่ให้เหลือร no, ู้สึกที่ใดอะไรก็ตามถ้ารู้สึกตัวถ้าพลังแห่งความรู้สึกตัวนะความจัดกิเลสธรรมทั้งหลายได้เช่นเราก็ใช่ได้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นพอมันหลงที่ไดรู้สึกตัวเนี่ยความหลงก็หายไปพอมันโกรธที่ไดรู้สึกตัวความโกรธก็จะหายไปหรือเบาบางลง จังพระสจิธาคาเม่ก็ไม่ใช่เรื่องอื่นถองพระสจิ ธ, ธาคาเมก็ทำลายความโลภความโกรธความหลงเบาบางลงหรือหมดไปสำหรับพระโสดาบันเองทำลายสกยัทิทิวิกิจกิขาสีระพตบารมาตสามข้อเท่านั้นความอะไรที่เกิดขึ้นกับกาย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 วิกฤตขีดขาไม่สงสัยแล้วเรื่องกายเรื่องจิตใจไม่สงสัยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นสินพศถือศักดิ์สิทธิ์ตัวเกิดเป็นปัญญาสีระตบิระรามาทเนี่ยกิงจังกับกายกับรูป ก, กับนามไม่ใช่เห็นเป็นปัญญาแต่ก่อนเรากิ่งกับกายกับกจิต แต่คิดสิ่งใดก็ตัดสินใจทำตามความคิดกายมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ตัดสินใจเป็นสุขเป็นทุกข์ของกายพระโสดาบันทำลายลงได้ส่วนพระนาคามีเพิ่มไปอีกอกรามราคะปฏิฆะตลอดถึงทำลายความโลภความโกรธความหลงลงไปความเป็นพระ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 ทุกวนทุกเวลาเวลาเราปฏิบัติความหลงก็ผ่านหน้าผ่านตาผ่านดวงตาภายในคือสติสัมปชัญญะเป็นดวงตาภายในเห็นนะแล้วว่ารู้แล้วก็ว่าได้รู้แล้วสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่สติสติรู้แล้วนะรู้แล้วอะไรนะไปไปแบบนี้ไปทางนี้นะปฏิบัติธรรมมันเป็นทางดู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 บางทีตาไม่เห็นแต่ต้องสัมผัสดูก็เป็นอย่างนั้นนังคนตาบอดําทางเขาก็รู้จากทางเพราะการสัมผัสการปฏิบัติธรรมมันเป็นทางพบเหตุและการสัมผัสสัมผัสกับความหลงสัมผัสกับความรู้สัมผัสกับความไม่ทุกข์สัมผัสกับความทุกข์เขาก็เลือกเป็นชีวิตเนี่ยมันต้องเลือกได้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 ที่สัมผัส ด, ดูแล้วนะเพราะผู้ที่เจริญสติเขาจะไม่เวลาใดที่มันหลงขึ้นมาเขาจะไม่เอาเขาจะเลือกเป็นแล้ววนะเวลาใดที่มันโกรธเขาจะเลือกเป็นเวลาใดที่มันทุกข์เขาจะเลือกเป็นพ้ น, ปนพไปล่วงข้ามไปต่างเก่าพ้นเพราะว่าเดิมเรียกว่าวิปัสนาเลื่องปัญญาสู่มรรคสู่ผลมรรคผลก็ไปแบบนี้ไปใช่ตายแล้วจึงจะต้องไป ได้มากได้ผลตั้งแต่นมนมน้มนมนอยๆเช่นพระโสดาบันพระอริยบุคคลสมัยขั้งพุทธเจ้าเป็นครวาดญ า, าิโยเมีมากยังไม่ได้บวชบวชบรรลุธรรมล้วจึงมาบวชเ0ตสิบเปอร์เซนอย่างปัญจวัคีเนี่ยบรรลุธรรมเราจึงค่อยบวชยาสาวกนบุตรบรรลุธรรมล้วจึงเลยบวช หลายหลายรูปที่บรรลุธรรมแล้วจึงบวชทีหลังเป็นพาวจังบวชทีหลังพระพุทธเจ้าตัดไว้สองลักษณะฐานบวชสมัยข้างพระพุทธเจ้าถ้าใครได้บรรลุธรรมแล้วมาบวชพระองค์ก็ตัดว่าเธอจนเป็นภิกษุมาเถิดทำไว้ในเรากลาวดีแล้วเธอจงประพฤติธรรมนั่นเถิดเรียกว่าผู้บรรลุธรรมแล้วมาขอบวช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 อาจจะมีวิธีสวดมนต์ไหว้พระพอให้เราได้สาธยายทําให้ตัวเองฟังอ่านสวดมนต์ไหว้พระสาธยายเองฟังใส่ใจที่จะว่าบทตอนไปต่างๆทําให้เกิดสมาธิได้การหายใจเข้าหายใจออกกลุ้ยึกตัวเป็นทําให้อฟอกฟอกอากาศฟอกปอดเป่าปอดทำวัด เชาวทำวัดเย็น30สบนาทีเป็นการเป่าปอดเหมืนกับหมกอกรองเป็นการฟอกปอดให้มันสะอาดมาเช่นน้ำตกเขาเป็นปอดที่ฟอกต้มที่เสียให้มันดีเวลาน้ำตกมันอากาศเข้าไปมันฟอกมันเป่าเราทําทวัดเช่าทําวัดเย็นเหมือนกันเหมือนกับการเป่าปอด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 ตาต่อตาฝันต่อฝันความเป็นจริงเราต้องเป็นความเป็นจริงทำย่อมชนะอธรรมอยู่เสมอถ้าเรามาสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวรู้สึกตัวไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นฐานตั้งไว้บ้านเรือนที่มีฐานตั้งไว้คิดเราก็มีฐานเป็นที่ตั้งอย่าวางเลื่อนเลื่อนลอยๆ เหมือนเสาหลักปกคีโคนไม่ได้อะไรพัดไปก็เอ็งไปเสาหลักปกคีโคนลมพัดไปทางไหนก็เอ็งไปทางนั้นความรักเกิดขึ้นกับไปกับความรักความชั่งเกิดขึ้นกับไปกับความชั่งความสุขเกิดขึ้นกับไปกับความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกับไปกับความสุขไม่ได้ชีวิตเราไม่ใช่เป็นเช่นนั้นต้องเป็นศิลาแท่งทึบไม่เสถือนพรม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 ความเหมาะสมผูดถึงทำรรที่จะไปประกอบการงานอาชีพถ้าไม่มีฐานอย่างนี้แล้วก็หลุดง่ายไม่มีตึงไว้ให้แน่นก็หลุดพังลงไปเหมือนกับสร้างบ้านดีๆแล้วเอาไฟไฟเผามอดลงไปครึ่งบาปครึ่งบุญนะถ้าไม่ไปพรริจารณามันครึ่งบาปครึ่งบุญหมดเวลาแล้วเลยเนี่ยอ๋ออ๋อดีแล้วเนาะ อือก็สองพอก็สนุกเหมือนกันนะพุทธมาญาติชมผู้ฟังแกสนุกหรือเปล่าหรือพากันนั่งง่วงเอาห้านอนก็ไม่รู้อ่าสนุ ก, กเพราะเราบอกความจริงนะบอกความจริงนะเป็นอย่างนี้นะปฏิบรรัติทำฟังเอาไว้ไม่รู้เอาไว้ไม่ใช่บ่าแบกหามรู้ไว้รู้ไว้เป็นเบื้องหน้าเป็นกระแสอ่าเห็นกระแสไว้ต้องไปทางนี้ต้องไปทางนี้ เป็นยังไงนนะอ้าวสมควรใจเวลาปราบพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวกาโตภะคะวตาธัมโทมทัมมงนะมสจามิ สุปฏิปโนภะควาตยสหวกาสรโคสรังขังนามิ